ท่านพูดไว้ในหลักธรรมว่าความยินดีในธรรม า, านะซึ่งความยินดีทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงคานี้ออกมาจากท่านผู้ที่เคยได้ยินดีมาแล้วเคยได้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 ไม่ปรากฏกินใดที่เป็นเครื่องสะดุดจิตใจภายในภายในตัวเลยเวลาฟังเทศท่านแสดงทางด้านธรรมะปฏิบัติคือแสดงถึงเ่งวิธีจิตการดำเนินของจิตการแก้ไขของจิตระหว่างจิตกับวิเลศหรือวระหว่างจิตกับมรรคคือสติปัญญาหรือความเพียรต่างนี้ผู้ฟังจะไม่ค่อยเข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ทําให้เกิดความท้อใจจิตใจเลยเคพื่มเพิ่มไปในทางอื่นไปเสียบางทีก็ง่วงเนาะห้องนอนอยากหลับอยากอะไรไปดิการเทศก็รู้สึกว่าเป็นเวลานา น, านเพราะมันเป็นการกดถ่วงกิเลสไม่ได้ออกขึ้นผ่านตามความสะดวกสบายในขณะที่ฟังธรรมจําต้องระมัดระวังจิตใจความระมัดระวังจิตใจนี้เป็นเหมือนกับว่าถูก ก, กักถูกขังไว้ใน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 เห็นคุณค่าแห่งการฟังธรรมองค์ที่ท่านแสดงไว้ว่ามีอณิสงฆ์หประการข้อที่5เป็นสําคัญคือจิตผู้ฟังยอ่อมสงบออผ่องใสมีสําคัญมากแต่ก็ต้องเป็นแนวทางไปแต่ไปตั้งแต่เบื้องตน้นที่ว่าหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมจะยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมีเป็นบาดฐานไปตั้งแต่นี้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 และทำให้สตุปปิฎจิตใจเป็นความจำไว้นานๆไม่ลบเลือนไปอย่างง่ายๆได้ภายในจิตใจผู้นั้นเพราะนั้นบรรดานักปฏิบัติจึงถือการฟังธรรมเป็นสำคัญแบบเรียกว่าจะว่าติดครูติดอาจารย์ก็ได้ถ้าปฏิบัติทั้งหลายท่านชอบได้ยินได้ฟังเสมอจากครูจากอาจารย์อาจารย์ใด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 พอบ่ายโมงท่านก็เริ่มลงอุโบสถพออุโบสถแล้วท่านก็ให้โอวาทส่วนมากท่านให้อวาทหลังจากอุโบสถแล้วนี่เป็นภาคปฏิบัติอันล้ำคันแล้วผู้ที่อยู่กับท่านโดยเฉพาะธรรมนาก็เจ็ดวันในพรรษาเจดวันประชุมครั้งถ้านอกพรรษาก็ไม่ค่อยแน่นอนอะไรนะ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 เป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของพ่านเนนให้เกิดความสนใจทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอัดเป็นธรรมแล้วจะมีท่านเป็นสำคัญเป็นเครื่องดูดดื่มให้มีความเพลิดเพลินรื่นลรงในอัดในธรรมได้พบได้เห็นท่านช่วระยะระยะหนึ่งก็เป็นเครื่องดึงดูดภ า, ายจในจิตใจให้เกิดความปีติยินดีและแถมยังได้ยินได้ฟังท่านพูดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเทศตัทั่วไป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 ในปัญหาแต่ละข้อละข้อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาแต่ถามนั้นมากมายไกลกองไม่ผิดหวังในความที่รู้จริงเห็นจริงผิดกันอย่างนี้แล้วตะกี้นี้ได้อธิยกขึ้นทุงเรื่องความยินดีในธรรมก็ดังที่กล่างมานี่แหละความยินดีในธรรมยินดีไปเรื่อย ด้วยอำนาจแห่งการได้ยินได้ฟังเสมอและการประพฤติปฏิบัติตนดูโดยสม่ำเสมอเช่นเดียวกันผลคือรสชาติที่ปรากฏขึ้นภานจา ก, การปฏิบัติก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภ า, ายจในจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธิมีความล่มเย็นเป็นจุกสะดวกสบายไม่คิดสายแสวุ่นวายแปับเรื่องอะไรทั้งหมดประหนึ่งเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่แต่ธรรมที่จะ พึงพินิจพิจารณาที่จะพึงปฏิบัติถ้ามีความเข้มแข็งหรือเหนวแน่นเข้าไปโดยลำดับถ้ากเป็นขั้นปัญญาก็แต่พิจารณาไปทั้งกว้างแคบเพียงไหลบรรดาในสภาวธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เพื่ออาจาเพื่อทำเพื่อถอดถอนตนเองโดย่าเดียวเท่านั้นจึงเป็นความเพลิดเพลินไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจของเราในเมื่อมุ่งต่อรมอย่างแรงกล้าเพียงไร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 เป็นแต่เพียงว่าจิตทั้งเราไม่เดินตามความจิตความจริงนั่นเท่านั้นจึงเป็นเหตุให้ขัดแย้งกับความจริงนั่นอยู่เสมอเมื่อจิตใจมีความสงบพิจารณาเอาเราเดินกรรมฐานคือจิตพาจิตเดินกรรมฐานท่องเที่ยวในสกลกายคือขันห้าอันนี้เดินขึ้นเบื้องบนถึงศรีรษะเดินลงเบื้องต่าถึงพื้นเท้า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 จนกระทั่งสภาพนี้สลายลงไปเห็นอย่างประจักษ์ภายในกิดเมื่อสลายลงไปจนกระทั่งเป็นสภาพเดิมของธาตุคือดินน้ำลงไปสลายลงประสูติธาตุเดิมของเขาจิตห ด, ดตัวเข้ามาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆทึ่นิคัมเวทนา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 อันจะเกิดผลประโยชน์ในการฟังเวลาเราพิจารณาตามสลิดนิสัยของเราแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเราเองที่จะปรากฏขึ้นมาภายในตัวเองตามสลิดนิสัยของตัวจะเรื่องของคนอื่นเข้าไปให้เป็นอย่างนั้นเข้าไปสู่ตัวให้ตัวของเราให้จใจเราเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างเห็นอย่างท่านนั้นไม่ได้อันนี้เป็นสลิดนิสัยของแต่ละคนละคนที่จะเป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนเองที่ดะพิจารณารู้เห็นอย่างไร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 ยังไม่ขาดจากกันคือยังไม่พอตัวมันรู้เป็นระยะๆะะอย่างนี้ไปก่อนคราวหลังก็รู้อย่างนี้แล้วมันซึมซาบเข้ามาเช่นเดียวกับจอกแหนะที่มันหุ้มเข้ามาอันนันปิดน้ำมันเองเราเบิกเราแวกจอกแวกแหนะออกหยั่งลงไปมือหยั่งไปถึงน้ำเห็นน้ำแล้วพอยกมือขึ้นมาจอกแหน้ก็หุ้มเข้ามาปัญญาเมื่อวาเบิกสิ่งหนึ่งแถว น, นี้หรือคลี่คลายสิ่งนี้มันก็เห็นชัดอย่างนั้น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 ก็เป็นเครื่องสอนให้เห็นว่าอาการใดที่จะปรากฏก็เพราะความรู้อันนี้ไปให้ความหมายสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนั้นถ้าจะเป็นไปในทางที่ผูกมัดตนเองคือเป็นในทางสมุทัยมันก็ต้องอาศัยความหมายนี้ไปไปเป็นพายึดพาถือพายสําคัญมันหมายถ้าเป็นปในทางปัญญาก็อาศัยปัญญากระแสของจิตนี้เองไปพิจารณาตรรองเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วถอนตัวเข้ามา พิจารณาเวทนาสัญญามันยับออกมามันกระรูถ้าพิจารณาเวทนาอย่างละเอียดเรเอเข้าไปแล้วเพียงสัญญามันยับออกไปกระรูไอ้สังขาปรปุงมันก็ก็เหมือนหิงห้ อ, อยนั่นเองยับยบัถ้าสัญญาไม่ไปหมายสังขารก็เพียงปุงยับยับแล้วดับไปดับไปไม่ว่าจะปุงเรื่องใด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 พอยับพอยับแล้วดับทันทีแนวอยู่ตามโดยลําพังทั้เดียวเย็บขึ้นมาคือมันปรุงพอยับปรุงยังไม่ได้เรื่องในราวอะไรแหละเพียงกระเพื่มเท่านั้นมันรู้กันเสียมันดับไปพร้อมเสียพอพอกระเพื่มพักอย่างนี้แล้วรู้กันเสียเพราะสติมันอยู่ที่นั่นแล้วดับไปเสียไม่ได้เรื่องในราวอะไรทั้งนั้นเพราะอํานาจของสติที่ควบคุมอยู่ในขณะนั้นหรือพลังของสมาธิยังไม่คลายตัวก็ได้ ทพอปรุงถึงสองสาครั้งแล้วทีเข้าด้ด้วยๆล้วเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเช่นเดียวกับเด็กตื่นนอนที่แรกเด็กก็มีความกระดุกกระดิกหน่อยหลายครั้งแลง้วหอนเไปแล้ว ก, ก็ลืมตาขึ้นมาอันนี้จิตก็เหมือนกันนีความสงบนี่พูดถึงหนึ่งขั้นสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันการพิจารณาอาการต่างๆดั ง, งที่กล่าวมานี้ท่านเรียกปัญญา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 มีความดูดดื่มในความสงบเย็นใจอยู่เสมอไปที่ไหนก็กจิตเป็นรากเป็นฐานแกตัวเองอยู่แล้วสบายไปเลยเย็นเราจรึงได้ใช้ปัญญาพิจเรื่องถาบเรื่องขันสำคัญคือความปรุงของจิตที่ปรุงขึ้นมาแล้วสังขารเวทนาความอ้อสัญญาคือความหมาย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 เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่เคยผ่านมาแล้วกว็ดีที่ยังไม่มีก็ดีมีตั้งแต่เรื่องของกิตออว่าดภาพเราอยู่ด้วยความคิดความปรุงของตัวเองเพลินและโศกด้วยความคิดความปรุ ง, งตัวเองเท่านั้นนี่เวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปจริงๆแล้วมันทราบได้ขนาดนั้นปกติเป็นอย่างนั้นจริงๆจนคนไม่เคยพอวนานั่งอยู่นี่บางทีจนตาเธอมองอะไรไม่รู้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 เพราะฉะนั้นการพิจารณาอาการของจิตจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ปัญญาจะต้องสอดแทรกตามให้ทันเมื่อสติปัญญาทันแล้วปรุงขึ้นเรื่องอะไรมันก็ทราบแทบแรบไปจา ก, กจิตกําลังจะไปหลอกตัวเองนั่นจะไปสําคัญมันหมายกับรูกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรก็ตามมันกําลังจะไปเอื้อมว่าภาพชนั้นชนิดนั้นขึ้นมาภาพอนี้ขึ้นมาหลอกเราเนี่ยมันรู้มันรู้มันดับทันทีพอเรา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 วินัยฉายค่ายควรมันอย่างนั้นนีมีจะเรียกว่าเป็นขั้นของสติปัญญาอันสำคัญ น, นั่นเองทีแรกอาศัยเรื่องธาตุเรื่องขันซากฟอกจิตใจด้วยธาตุด้วยขันซากฟอกจิตใจด้วยรูปเสียงกิริย์รูปเคื่องผัสโดยทางปัญญาแล้วก็ซากฟอกจิตใจโดยเฉพาะด้วยสติปัญญาอันสาคัญ น, นั่นี้นี่ตามต้นกันอยู่นี่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 ว่านักโทษตัวนี้มันจะแสดงตัวอะไรออกมาแล้วยังต้องมีปัญญาสอดแทรกเข้าไปว่าอะไรเป็นเครื่องเสี่อมสอนมีอะไรมีฉากหลังฉากหน้าของนักโทษนี่จึงต้อง ท, ทําทุจริงตลอดเวลาคิดปรุงแต่งเรื่องราวหลอกลวงเราอยู่ไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นเพราะอะไรนี่มันก็กุดค้นเข้าไปที่ตรงนั้นนี่นะปัญญาไม่เพียงแต่เราจะมา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 พารู้อันนั้นแล้วก็จะลายหมดเรียกว่าทําลายได้แล้วโดวยสติปัญญาจิตก็หมดโทษทิเราจะตําหนิโทษจิตตําหนิไม่ได้เพราะที่เราตําหนิโทษเพราะโทษมันอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตเหมือนกับว่าโจรผู้ร้ายหรือฆาตเสือกตามมันเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ใดเราต้องทําลายหมดทั้งอุโมงค์ทีเดียวเราจะไว้เสียได้อุโมงค์มาได้นี่มันเข้าไปแทรกในจิตทํำลายลงไปหมดถ้าจิต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 นั่นแหละ เ, เป็นทำเป็นธรรมแท้ทเราจะเรียกว่าจิตแท้ธรรมแท้ไม่ขัดกันเพระหมดสิ่งที่จะมาคอยขัดคอยขวางซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเราจะเรียกตรงนี้ว่ารถแห่งธรรมชันะสุมรถทั้งปวงได้ร้อยเ็เมื่อจิตได้เ ป, เป็นจิตเป็นธรรมล้นๆนแล้ว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 พระองค์ทรงสั่งสอนนี้มาประพฤติปฏิบัติอย่างถึงใจแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งเห็นอย่างเต็มภูมิของการปฏิบัติเหล่าแล้วรู้อย่างเต็มภูมิพ้นทุกอย่างเต็มตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวอเหียกว่าล่างปราช้าคือความเกิดตายของจิตมาถึงคันนี้แล้วก็ไม่ทราบจะเทศอะไรต่อไปอีกจึงขอจิติเพียงพทนี้